ไม่ไม่ใช่ว่าสองอสงไขยแสนกลับแล้วบรรลุเพรเลยไม่ใช่นะหมายคำว่าในระหว่างนี้แต่ไม่เกินสามอสงไขยเนี่ยภายเนี่ยเจ็ดอสงไขยนี่ไม่แน่นะก็ดูแล้วกันแล้วแต่ถ้าไปทําพลาดมัวแต่ไปทำํำทะเลาะกับพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระเทวทัศน์นี่ก็นานหน่อยอย่างเงี้ยนะพระเทวทัศนนี่ท่านสั่งสมบุญมาแล้วสองอสงไขยแสนกลับนะเ<อ>นะเพียงแต่ว่าแหมมาจิตตั้งจิตไว้ผิดเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าเลยดึงเกมให้มันช้าลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะ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 บอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังไปคนเดียวก็ได้เห็นต้องพาใครไปเลยนะไปคนเดียวก็ได้าเนะก็เลยเป็นพวกเดียวดายเลยนะี่เอ้าไม่เดียวดายนะเหมือนถามว่าการปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายควรนานเท่าไหร่โอ้ยนานเหลือเกินทั้งสองสงไขยใจถอดแล้วเอาถึงสาวกก็ได้สาวกก็มีหลายกลุ่มนะสาวกอะไรสูงสุดอักษรสาวก มหาสาวกหรืออาศิตสาวกแล้วก็ปกติสาวกสาวกปกติเนี่ยนะไล่ไปไล่ามาเนี่ยนะดูท่าจะเลืออะไรกันไม่รู้คล้ายๆว่าไปไป ท, ท, ท, ที่ที่ตลาดใช่ไหมไปเห็นนะดูอันนี้น่าสนใจมากไปเห็นราคารับใจถอดเลยนะอันนี้อีกอะไรก็ลดลด ล, ดลดไปเรื่อยก็เลยได้ไหมจิ้มฝันมาอันเดียว น, น, นี่มาดูว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระอัคราาสาวก ทั้งสองคือเช่นพระสารีบุตรพระโมคขลานะเนี่ยนะควรจะต้องใช้เวลานานหนึ่งอสงไขยแสนกับอย่างพร ะ, พระสารีบุตรพระโมคขลานะเนี่ยตั้งกันพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วส่วนการปรารถนาเช่นพระอสีติอสีติแปลว่า80ดสิีติมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลเนี่ยแปสท่าน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 บนรายชื่อที่พบในพระไตรปิฎกคือท่านอย่างน้อยท่านแสนกลับมาทั้งนั้นแหละนะนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้นแสนกลับทั้งนั้นแหละของเราเนี่ยไม่เพิ่งคิดได้สองวันเนี่ยนาจะขอเอาแบบท่านเหล่านั้ยนะนะโอ้ยสนใจพิเศษแบบพระพาหิยะนะท่านบอกให้มันง่ายๆหน่อยไม่ได้หรือทั้งนั้นโอ้ยขอแต่แบบง่ายๆแสดงว่าเกิดมาในสมัยกดรีโมทคอนโทรลมานา น, นแล้วได้เคยได้อะไรแต่กดปุ่มหมดมาศึกษาธรรมะ ก, กดปุ่มได้ไหม ปมไหนละปุ่มเงื่อหรือปุ่มอะไรน <c> ะ <oughs> มีหลายขนา <c oughs> โอ้ทางธรรมะนี่เขาเรียกปุ่มไงเสียงนี่เกิดจากฐานกร น, นะโยมทั้งหลายามีฐานกรน้องเสียงอะไรแต่ปุ่มไหนออกเสียงอัไหมันจะออกเป็นตามเสียงนั้ น, น <c oughs> ทีนี้ถ้าเป็นสาวกนะสาวกอภินิหารจะต้องตั้งความปรารถนาให้ได้สองอย่างก่อน <c oughs> คือหนึ่งมีอธิการทําบุญอย่างยิ่งแล้วก็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 แบบนั้นเนี่ยนะแต่ทั่วไปในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังทา ไ, ไมคือหมายเขาว่าก็เรือลําใหญ่ที่เรียก ว, กวักมือเรียกกันนะให้ขึ้นเรืออยู่แล้วแล้วก็บอกว่ามันมีอีกลำข้างหน้าอีกโออีกไม่รู้กี่หมื่นล้านปีจะมีอีกลำหนึ่งนะบอกก็รอทาไมก็ลํานี้เขาก็ที่นั่งกว่างตเตไปหมดทําไมไม่ไปเลยอ่างนั้นนะท่านในพระไตรปิฎกจึงจะไม่ค่อยชมเชยผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นสวา ก็เหมือนกับว่าสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่นชมสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านจะข่านก็จะไม่ใช่ว่าท่านไม่ศรัทธานในสาวกองค์ต่อไปแต่ว่ามันอีกนานอะ่ะที่เห็นเห็นอยู่ทําไมไม่ยกย่องอ่ะนะเหมือนกับว่าองค์มหากรรษัตริย์มีอยู่ทําไมไปยกย่องว่าที่อีกไม่อีกนานก็จะได้เป็นอน่ยนะทําไมต้องไปคอยยกย่องกลุ่มว่าที่อีกไม่รู้กี่นานเท่าไหร่ ใช่ยางก็แบบข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีแล้วทาไมต้องไปนับถือเด็กที่กำลังเบเบาแต่ว่าอนาคตระยะยาวได้เป็นแน่แล้วทำไมมัวไปนับถือเแบรเบาอยู่ขนาดนั้นมันก็เลยชมคนที่สมควรชมไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เลยไม่ค่อยพูดถึงคนที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็มัวอะไรนะจะมัวรอทำไมน่ล พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตลอดการตามประเภทที่กล่าวแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าอบรมธรรมะหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสามสิบจนกว่าระยะเวลาสี่สงไขแสนกลับจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะนับตั้งแต่วันวั น, ว, นวันไหนวันได้รับพุทธพยกรก์ ทีนี้ชาติสุดท้ายเมื่อจะอุบัติในโลกที่เราเรียกว่าเอีธาตัทธะโตโลเกอุปปโนเนี่ยนะคำนี้เมื่อพระองค์อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็จะอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์นะไม่เกินสองตระกูลนี้ถ้าเป็นพระปเจกะพุทธเจ้าสามตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลครืหาบดีคำว่าครือหาบดีนั้นไล่หนังกะชาวนาขึ้นไปเรียกเครืหาบดีหมดนั่นนะ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 อัฐะมุ่งใจความของอริยศาสตร์รู้แต่ไม่สามารถเอามาพูดได้บางคนบอกท่านน่าจะพูดได้รู้แล้วต้องพูดได้สิเอาฟังทำจบทําไมไม่เอาไปเทศนะอ่ะก็น่าจะพูดได้ใช่ก็นั่งฟังอยู่เนี่ก็ฟังภาษาเดียวกันนะฟังจบก็น่าจะาไปเล่ากันต่อใช่ไหมอู้บทจ้างเหมือนนทำไมจะพูดไม่ได้ไพูดได้สิมันเป็นภาษาไทยเหมั้นก็เหมือนกับเขามีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่า เอเนี่ยก็เป็นเป็นฝรั่งฟังธรรมอ่ะนะฝรั่งกับแม่บ้านเข้าไปแม่บ้านเงนไทยสามีเป็นฝรั่งก็ไปฟังพระเทศก็บอกแม่บ้าก็เธอแปลให้ฟังหน่อยสิบอกฉันแปลไม่ได้เอ๊ก็เห็นพูดง่ายๆนี่ยก็ไม่เห็นจะแปลยากอะไรก็แปลให้ฟังหน่อยก็แล้วกันอย่งนั้นบอกทำไมคุณไมเรียนภาษาไทยวะเรียนแต่ว่าแต่ว่าคนที่สอนต้องไม่ใช่คุณนะบอกขอเรียนภาษาไทยอ่ะแต่ว่าต้องคนคนที่จะเป็นอาจารย์ต้องไม่ใช่ภริยาเขาอยงนั้น เพราะฉะนั้นคนที่เป็นภรยาถ้าไปสั่งสอนสามีมากาไม่ค่อยฟังง่ายๆหรอกนั่นงพูดหาจังหวะหาโอกาสให้ดีเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยาบอกว่าะนะสามีบอกคนที่สอนญาติสุดก็คือภรยาภรยาก็สอนญาี่สุดก็คือสอนสามีนั่นแหละนั่นสรุปว่าพระปจเจคัมภูตเจ้ารู้ได้แต่อัทธรส คือแทงตลอดอริยศาสตร์จริงแต่ว่าไม่สามารถมาบัญญัติได้มาบัญญตัติเป็นขันธ์ั ญ, ญาบรรยัติอัยตนาบรรยัญญติธาตุปัญยัติสัจจะบรร ญ, ญตัติอินทรียาบรรยัญญติเป็นๆปุคลาละปัญยัติคือการที่จะมาแยกเป็นขันธ์อัยตนาธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทสติประฐานสมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโภชฌงเป็นพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมนี้ไม่ใช่วิสัยของพระปเจกขพุทธเจ้าเพราะพระปัเจกขพุทธเจ้าไม่มีอสสาธารณญาณหก ไม่มีอาสาธารณยานหกไม่มีทศพลยานสิบที่จะม า, ามามีอํานาจอย่างนี้ไม่มีเวสารชยานสี่แบบพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจะทําได้อย่างไงเนี่ยนีก็บางอย่างนี่ก็น่าจะทําได้ใช่ไหมแต่มันทําไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นท่านก็บอกว่าการบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใฝนนนนใน่ฝันอันนั้คนใฝ่ในฝันเห็นเรื่องดีเหลือเกินอยากจะเล่าแต่ก็เล่าว่าไง หรือเหมือนกับรถแห่งกับข้าวที่นายพรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นก็บอกว่าไม่ต้องนายพรานป่าร้องออมาเนี่ยเขาบอกว่าเออท่านไปอินเดียอาหารอินเดียเป็นยังไงจบเลยนะเล่าไม่ถูก ก, ก็มันมีเครื่องเทศว่าเครื่องเทศเหมือนบ้านเราไหมกลิ่นไมเน่เหมือนกันสักอันเนี่ยนะไม่รู้จะไปเล่าเปรียบกับอะไรดีมันนั้นนะ่ะถามเองกันแล้วกันอันนี้ก็ นี่ขนาดไม่ได้ใบไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ถึงกระเช้าป่ามา ก, ก น, นะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จะเอามาเล่าว่ายัางไงเครื่องเทศมีอะไรบ้างนั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรลุธรรมอันต่างโดยฤทธิสมาบัติปฏิสัมพิธาแต่เพราะมีคุณพิเศษจึงต่ํากว่าพระพุทธเจ้าแต่ก็เหนือพระสาวกทั้งหลายพระประเจกเนี่ยเหนือพระสารีบุตรมากมายแต่ว่าแต่เนื่องจากว่าอะไรนะ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 ให้คนอื่นบวชแล้วก็ผดศึกษาพิสมาจาริกวัดสอนเกี่ยวกับการนุ่งการหงการยืนการเดินการกบการฉันอิริยาบทการไม่คลุกเคลีเนี่ยท่านสอนได้เช่นอาจจะสอนคาสอนหัวข้อว่าเออทำการขัดเกลาจิตกันแล้วกันนะขัดเกลาวจิตนะสละบาปอกุศลออกไปอย่าท้อถอยทําไปเถอะปฏิบัติไปเถอะอย่าเลิกทําไปนั่นก็สอนแค่น eyes, <Columbus> a, ี้ที disease, ieux, ่เหลือไปทำเอาเองทาอะไรไม่บอกนะ ย่าถอยก็แล้วการปฏิบัติต่อไปอย่างนี้แหละะแล้วก็ถ้าจะมีวันอุโบสถเช่นวันสิบห้าคัมสิบสี่คัมก็จะพูดว่าอัชเมอุโบสโธวันนี้เป็นวันอุโบสถพอละวันนี้วันอุโบสถทุกคนนั่งเข้าสมาบัติกันแล้วกันเข้าสมาบัติกันออกก่นนี่มอไปหาตามอัธยาศัยเหมือนนกกระเบนในปีกงนี่นะั่นนะแล้วก็มีนี่แหละหมอชอบพูดอย่างนี้แหละได้เป็นเองเลย <laughs> นิ่งมไรก็เห็นนั่นหลับแล้วรู้แล้วสาเหตุมาจากไหน